ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสุเมทโธว่าบวชไปวัดน้องปาพง์มีความทุกข์มากกำลังคิดแบบนั้นอยู่ว่าอยู่วัดน้องปาพง์นี่ทุกข์มากหลวงพ่อชาเดินผ่านมาก็ตะโกนบอกว่า วัดหนองปาพงนี่ทุกข์มากหลวงพ่อสุเมโธได้ยินก็เรียกว่ามีปัญญาเลย ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่วัดหนองป่าพงความทุกข์อยู่ที่ใจเราเอง เรามาปฏิบัติธรรมมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรู้จักปฏิบัติต่อความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างถูกต้องจะมีความทุกข์มากมายเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ ไม่ว่าชีวิตแบบไหนจะเป็นพระจะเป็นแม่ชีจะเป็นฆราวาสล้วนมีทุกข์ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักจะปฏิบัติต่อทุกข์นั้นอย่างถูกต้องไหมถ้าเรายังไม่รู้จะอยู่เพศไหน ก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อทุก์อย่างถูกต้องคือการรู้ รู้ทุกนี่คือการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อทุกข์ในอริยรรสัจว์4ไม่มีคำว่าหนีทุก วิชาแห่งการหนีความทุกข์เราทำมาตั้งแต่เกิดแล้วเราเลือกจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเรียนรู้วิชาของการรู้ทุกข์ เราต้องการรู้ลงไปจนถึงว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์วันนี้เรารู้หรือยังว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เรายังไม่รู้เราถึงยังหนี ถ้าเรายังหนีได้แต่ว่าโลกนี้ยังเหลือช่องว่างของความสุขอยู่เราคิดว่าเราออกไปจากที่นี่เราจะได้มีชีวิตอิสระกว่านี้นั่นคือการสแสวงหาความสุข เรายังมีทางหนีระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งไปกับพระอ น, นุ์ไปที่เมืองเมืองหนึ่ง มีแต่ประชาชนไล่เกลียดไม่ชอบพระพุทธเจ้าจนพระอา น, น์นี้ต้องถูนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไปกันเถอะอย่าอยู่ที่นี่เลยที่นี่เขาไม่ต้อนรับเรา พระพุทธเจ้าตอบพานนว่าแล้วถ้าเราไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาไล่เราอีกล่ะเราจะทำยังไงเราต้องหนีอีกไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้ายืนยันไม่หนี ไม่ว่าจะทุกข์เท่าไหร่ท่านก็ไม่หนีท่านไม่หนีแต่ท่านไม่ทุกข์ เป้าหมายท่านไม่มีเป้าหมายว่าในที่ที่ท่านอยู่ท่านจะต้องได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ ท้าไม่เป็นเจ้าของไอเดียอะไรกับชีวิตพอไม่เป็นเจ้าของมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับไอเดียอะไรที่ตั้งเอาไว้พอถ้ามีไอเดียตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้พอไม่ได้มันผิดหวัง ทุกข์เพราะอะไรพราะเรากำลังเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างเข้าแล้วดูให้ดีเวลาเราทุกข์เนี่ยเรากำลังเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างเข้าแล้วความทุกข์มันบีบคั้นบีบคั้นแล้วจิตที่มีอวิชชาก็เข้าไปจับ สร้างตัวตนขึ้นมาลองรับทุกนั้น อย่าลืมว่าอิสระในทางพุทธศาสนาคือความอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อิสระที่จะทำอะไรได้ตามที่ใจต้องการ อิสระแบบนั้นจะสนองแต่ความเป็นตัวตนเราเคยได้ยินใช่ไหม ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ได้ทำงานไปปฏิบัติทำไปก็ได้ลองนึกดีๆนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากในประเทศนี้เป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้น ผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะทำได้แต่จำนวนมากกำลังหลงผิดหลงผิดแบบไหนชีวิตเรานี่ดีจริงๆโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียนี่แบบนี้ ชีวิตเราดีสมบูรณ์ชอบที่มีชีวิตแบบนี้ได้แต่สิ่งที่คนเหล่านี้ไม่เห็นเลยว่า การดำเนินชีวิตนั้นกำลังอยู่ภายใต้ความพึงพอใจของอัตตาตัวตนเราอยู่ภายใต้ความยินดีพอใจไม่เห็นเราทั้งนั้นเลยที่กำลังทำอยู่นั้นะ ผมนึงเคยบอกว่าถ้าเราปฏิบัติทำเป็นเราจะไม่รู้สึกหรอกว่าเราปฏิบัติดีมันมีแค่ว่ารู้หรือไม่รู้แค่นั้นมันรู้สึกแค่นั้น ไม่รู้สึกแรอวชีวิตเราดีจังเลยชีวิตนี้มีแต่ทุก์จะดียังไงมันดีได้ยังไงชีวิตที่มีแต่ทุก์ชีวิตนี้ดีจังเลยเหมือนเราหยิบขี้มาดมแล้วเราก็บอกว่าเออหอมจัง ทำไมหอมได้เพราะมันเห็นผิดไงมันหลงผิดไงเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดใช่ไหมว่า โลกนี้มันไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นเท่านั้นแหละเนี่ยเห็นถูกมันเป็นแบบนี้มันถึงหมดความดิ้นรนแสวงหาที่จะได้ความสุขเพราะมันรู้ว่าไม่มี ผมเคยเห็นจิตที่เป็นทุกข์บีบคั้นมากบีบคั้นให้ความรู้สึกทุกข์ในเชิงของความไม่มีคุณค่าโดยที่หลวงพ่อจะใช้คำว่าเป็น useless person ไม่มีประโยชน์ไรตัวตนเป็นนบ b o d y อวิชชาจะสร้างทุกข์แบบนั้นให้เราอย่างมหาศาล ทันทีที่เราตกจากการเป็นผู้รู้สภาพทุกข์แบบนั้นเราจะคิดคิดไปทางไหนทางมีตัวตนทางสนองให้เกิด ตัวตนในมุมของเป็นคนมีประโยชน์มีคุณค่าอาวิชชาบีบเราขนาดนั้นเราก็ลังฝึกที่จะไล่ตัวตนมันบีบให้เรามีตัวตนขึ้นมา เรายังไม่ต้องไปทำจริงๆหรอแค่คิดปุ๊บเนี่ยคลายเลยความทุกข์เพราะอะไรเพราตกลุมมันแล้วเซลล์เกิดขึ้นแล้วตามที่มันต้องการมันพอใจแล้วมันพอใจแล้วมันเลิกบีบเราเอาวิชามันโหดร้าย มันไม่ยอมให้เราเป็นผู้รู้อย่างเดียวเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเราได้แต่อดทน ไม่หนีแล้วก็ไม่สู้เพราะนั้นกิรลยาของการไม่หนีเป็นกิรลยาสำคัญมากของนักปฏิบัติธรรมทุกคน ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสรุ้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจนั่งใต้ต้นโพแล้วบอกกับตัวเองว่า จะไม่ลุกขึ้นอีกจนกว่าจะตัดสู่พวกเราทุกคนคงรู้เรื่องประวัติอันนี้อยู่แล้วเราก็แปลไปในเชิงเป็นบา ร, รมีหลายอย่างที่ท่านมี แต่สำหรับผมในยะตรงนี้ท่านกำลังบอกเราทุกคนว่าท่านจะไม่หนีอีกแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกิเลสอะไรก็ตามที่เข้ามาล่อลวงท่านในคืนนั้นเราคงจำเรื่องราวได้มีกิเลสหลายอย่างเข้ามาล่อลวง แต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่หนีอีกแล้วท่านจะไม่หนีอีกแล้วโดวยจิตใจที่ตั้งมั่นที่จะไม่หนีอีกแล้วท่านจึงได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้า น, นี่เป็นทางเดินของครูบาอาจารย์ทุกองค์จะต้องถึงจุดที่ไม่หนีอีกแล้ว ในฐานนะพวกเรานักปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้เข้าใจปฏิปทาที่สำคัญของการไม่หนีอีกแล้วเราทุกคนต้องค่อยๆสั่งสมปฏิปทาแบบนี้ให้มันเป็นนิสัยใหม่ ให้มันเป็นความเคยชินใหม่ที่เราจะไม่หนีอีกแล้ว เพราะนั้นอย่าลืมว่าเราทิ้งชีวิตทางโลกมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อนหนีความทุกข์เราทำทุกอย่างเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรม เพราะเราต้องการความพ้นทุกข์อย่าลืมอันนี้เราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ เขาพูดวั น, นิพพานอยู่ฟากตายเป็นการเปรียบเทียบให้รู้ว่ามันทุกข์มากต้องอดทนมากทุกข์ต่างตายเปรียบเทียบให้เห็น เพราะน้ถ้าเราหนีทุกปางตายเราจะข้ามฟากไปนิพพานได้อย่างไรเราอยากนิพพานแต่เราหนีมันมันเป็นความสับสนในตัวเอง บางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยยังไม่ถึงเวลาของฉันหรอกทุกอันนี้กูขอข้ามไปก่อนสคริปไม่ไหวใครจะรู้เหลอว่าเรายังไม่ถึงคิวนั้นเราอาจจะถึงคิวนั้นที่ทุกอันนี้ก็ได้ใครจะรู้อย่าประเมินตัวเองต่ำเกินไป เพราะเราอย่าถูกความทุกข์หรือความบีบคั้นล่อหลอกล่อหลอกให้เราสร้างเซลล์ขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยการทำตามมันหรือด้วยการจะไปจัดการมันสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสู้หรือหนีนึกออกไหม สู้กับหนีมันเป็นการกระทาที่ตรงข้ามกันนะแต่ทั้งสองอันคืออะไรคือเซลเราตกหลุมมันบางคนบอกโอ้ฉันสู้กีเลตได้นั่นก็เซลไม่ใช่เก่งเลยก็โง่อีกแบบหนึ่งอี่แนัหนเอง เพราะฉะนั้นรู้มีแค่รู้ต้องใช้ความอดทนมากที่จะแค่รู้ ตามที่พันธนาการเราอยู่เป้าหมายไอเดียอนาคตความคาดหวังทิ้งมันไปให้หมดพันธนาการเหล่านั้นทำให้เราทุกข์ อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่กับรู้มีแต่รู้มีแค่รู้อย่าโดนลอ่อลวง อย่าโดนหลอกเราไม่รู้อนาคตหรอกแต่ซึ่งที่เรารู้อย่างหนึง่งอนาคตมักไม่เป็นแบบที่เราคิดเสมอ เพราะนั้นไม่ต้องกังวลอนาคตมันไม่เคยเหมือนที่เราคิดไว้เลย ความไม่ชอบไม่พอใจมีความทุกข์เราไม่ใช่คิดว่าเราจะหนีมันยังไงสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเราจะเห็นมันยังไงทำไมเรายังเห็นมันไม่ได้ทำไมเรายังเป็นทุกข์อยู่ ถามตัวเองจะเห็นมันยังไงทางออกคือทางเข้า ชีวิตเราไม่เคยทุกข์เท่านี้มาก่อนใช้ให้เป็นประโยชน์สเสดียวนี้เลยผมขอแค่ครั้งเดียวขอแค่ครั้งเดียว ที่จะเห็นความไม่พอใจความทุกข์ความบีบคั้นทั้งหลายขอแค่ครั้งเดียวเห็นให้ได้ทิ้งเหตุทิ้งผลทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อน มันจะนานแค่ไหนก็จะเห็นมันดูซิเป็นไง ถ, ถึงจังหวะที่เราเห็นมันได้จริงๆเราจะหลุดออกจากความทุกข์นั้นทันทีทันทีเลยปิดทิ้งไม่ค้างคาเหมือนสมัยที่เราเคยกโกรธคนอื่น เวลาผ่านไปค่อยๆจางไปหายไปค่อยๆหายไ ป, อยอยยไปเออไม่เป็นไรแล้วแต่จริงๆก็ยองเหลือนิดๆแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์เป็นเห็นจริงๆ จ, จ, จะปลิดทิ้งขอให้มีประสบการณ์สักครั้งหนึ่ง อดทนเราจะเข้าใจการปฏิบัติธรรมจริงๆเราฝึกมาทั้งหมดทั้งชีวิตของเราก็เพื่อจะเห็นให้เป็นแบบนี้อุตส่าห์ฝึกมาทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นอย่านีเราจะใช้สรพรพะกำลังทั้งหมดที่เราฝึกมาเพื่อจะเห็นตามความเป็นจริงให้ได้